ธรรมบทแปลเรื่องที่177เรื่องปัญหาของพระโมคคัลลานะเถระข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารบปัญหาของพระโมคคัลลานะเถระตรัสพระธรรมเทศนานิว่าสัจังพนเนเป็นต้นตอน พระโมคคลลานะไปเทวโลกความพิสดารว่าสมัยหนึ่งพระเถระไปยังเทวจาริกยืนอยู่ที่ประตูวิมานของเทพธิดาผู้มีศักดิ์มากแล้วจึงพูดอย่างนี้กับเทพธิดาองค์นั้นผู้มาสู่สำนักของตนไหว้แล้วยืนอยู่ว่าเทพธิดา สมบัติของท่านมากมายท่านได้เพราะทำกรรมอะไรเทพธิดาอย่าถามที่ฉันเลยเจ้าข่าไหนว่าเทพธิดาละอายอยู่ด้วยกรรมอันเล็กน้อยของตนจึงได้พูดอย่างนี้ก็เทพธิดานั้นอันพระเถระกล่าวอยู่ว่าจงบอกเธอจึงพูดว่า ท่านผู้เชิญทานดิฉันก็ไม่ได้ถวายการบูชาก็ไม่ได้ทำพระธรรมก็มิได้ฟังรักษาเพียงคำสัตย์อย่างเดียวพระเถระไปยังประตูวิมานแม้อื่นแล้วก็ถามเทพธิดาแม้อื่นผู้มาแล้วมาแล้วถึงเมื่อเทพธิดาเหล่านั้น ไม่อาจาเพื่อจะปกปิดเกียรติการพระเถระได้อย่างนั้นนั่นแลเทธิดาองค์หนึ่งจึงพูดก่อนว่าท่านผู้เจริญบรรดาบุญกรรมมีทานเป็นต้นชื่อว่าบุญกรรมอันดิฉันทำแล้วไม่มีแต่ในการของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากระสบดิฉันได้เป็นทาสีของคนอื่น นายของดิฉันนั้นดุร้ายหยาบคายเหลือเกินย่อมเอาไม้บ้างท่อนฟืนบ้างที่ตัวพลันฉวยได้ฉวยได้ตีศีรษะดิฉันนั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็นึกติตัวเองเท่านั้นว่านายของเจ้านี่เป็นใหญ่เพื่อจะทำให้เจ้าเสียโฉมก็ได้เพื่อจะตัดอวัยวะมีจมูกเป็นต้นของเจ้าก็ได้ เจ้าอย่าโกรธเลยดังนี้แล้วก็ไม่ทำความโกรธด้วยเหตุนั้นที่ฉันจึงได้สมบัตินี้เทพธิดาองค์อื่นตางก็บอกทานเล็กน้อยอันตนอันตนทำแล้วโดยในเป็นต้นว่าท่านผู้เชิญที่ฉันรักษาไร่อ้อยได้ถวายอ้อยลำหนึ่งแก่ภิกษุรูปหนึ่งองค์อื่นบอกว่า ดินนฉันถวายมะพร้าวผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายฟักเหลืองคือฟักทองผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายผลลิ้นจี่ผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายเง่ามันกามือหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายสเสดาวกำมือหนึ่งดังนี้แล้ว ก็บอกว่าด้วยเหตุนี้พวกดิฉันจึงได้สมบัตินี้ตอนกล่าวคำสัตว์เท่านั้นก็ไปสวรรค์ได้พระเถระได้ฟังกรรมที่เทพธิดาเหล่านั้นทำแล้วจึงลงจากสวรรค์เข้าไปเฝ้าพระสัสดาแล้วทูลถามว่าพระเจ้าค่า บุคคลอาจหมหนอแลเพื่อจะได้ที่ปียสมบัติด้วยเหตุเพียงกล่าวคำสัตว์เพียงดับความโกรธเพียงถวายทานมีผลมาพลับเป็นต้นอันเล็กน้อยเหลือเกินพระสัต์ดาโมกคลานะเพราะเหตุอะไรเธอจึงถามเราพวกเทพธิดาบอกเนื้อความนี้แก่เธอแล้วไม่ใช่หรือ โมฆลานะอย่างนั้นพระเจ้าข้าบุคคลเห็นจะได้ทิพยาสมบัติด้วยกรรมมีประมาณเท่านั้นลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับพระโมฆลานะนั้นว่าโมคลานะบุคคลกล่าวเพียงคําสัตว์ก็ดีและเพียงความโกรธก็ดีถวายทานเพียงเล็กน้อยก็ดีย่อมไปเทวโลกได้แท้ ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าสัจจพนเนนกุตเชยะดัจจาอปปังปิยาจิโตเอเตหิติหิทวาเนหิกัจเชเดวานสันติเกบุคคลควรกล่าวคำสัตว์ไม่ควรโกรธ ถ, ถึงถูกเขาขอน้อยก็พึงให้ บุคคลพึงไปสำนักของเทพพยายดาทั้งหลายได้ด้วยฐานะสามนั่นตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่าสัจจังพเนความว่าพึงแสดงคือพึงกล่าวคำสัตย์อธิบายว่าความตั้งมั่นอยู่ในคำสัตย์บทว่านักกุจฉะยะัได้แก่ ไม่ควโครโกรธต่อบุคคลอื่นบทว่าญาจิโตความว่าบันประชิตผู้มีศีลชื่อว่าผู้ขอความจริงบันประชิตเหล่านั้นไม่ขอเลยว่าขอท่านจงให้ย่อมยืนอยู่ที่ประตูเรือนก็จริงถึงกระนั้นโดยอัดก็ชื่อว่าย่อมขอทีเดียวบุคคล ผู้มีศีลขอแล้วอย่างนั้นเมื่อทายธรรมแม้เล็กน้อยมีอยู่ก็พึงให้แม้เพียงเล็กน้อยสองบทว่าเอเตหิตีหีความว่าบรรดาเหตุเหล่านั้นด้วยเหตุแม้อย่างเดียวบุคคลพึงไปเทวโลกได้ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องปัญหาของพระโมคคัลลานะเถียระจบ